เคยมีคนฝรั่งคนหนึ่งเขาเคยมาสัมภาษณ์หม่อมราชวงศ์คริสต์ปามโมชก็มีตอนนึงก็ถามว่าพุทธศาสนานสอนอะไรบ้างหรือคำสอนพุทธศาสนานี่ยมีอะไรบ้าง เราชวนเลก็ตอบสั้นๆซึ่งก็กระชับพอสมควรแล้ตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าเนี่ยพุทธศาสนาก็สอนให้เราเนี่ย the hope for the best prepare for the worst hope for the best ก็หมายวว่าให้เรามีความหวังว่าจะได้พบสิ่งที่ดีที่สุด Prepare for the w o r s t <c oughs> ก็หมายาะว่าให้เราเตรียมพร้อมกับสิ่งที่มันเลวร้วายที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดนะที่เราหวังได้จากพุทธศาสนามันก็มีอยู่หลายอย่างนะมันขึ้นอยู่กับมุมมองหรือว่าเงื่อนไขของแต่ละคนในเช่นคนที่เจ็บป่วยเนี่ย ความหวังที่ดีสุดก็คือการหายป่วยคนที่ยากจนนะสิ่งที่ดีสุดสำหรับเขานะก็คือการาหายจากความยากจนะคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องการงานนะ ิ่งที่สุดที่จะหวังได้คือการมีความสำเร็จนะความเจริญก้าวหน้าในการงานแต่และคนก็มองแตกต่างกันไปนะเวลาพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา และนี่ก็เป็นสิ่งที่พุทธศาสนาเนี่ยให้ความหวังนะกับคนเหล่านั้นนะผู้คนเราก็เห็นนะผู้คนก็พากันเข้าวัดมาทำบุญนะมาสะเดอะเคราะห์หรือว่ามาทำอะไรหลายอย่างนะด้วยความหวังว่าจะหายป่วยนะจะประสบโชคลาภ จะมั่งมีหรือว่าจะประสบความสำเร็จการงานอันนี้ก็แล้วมันก็มีคนที่ได้พบสิ่งที่ตัวเองปรารถนาคาดหวัง อ, อยู่เหมือนกัน ไม่ว่าจะไม่ใช่ใทุกกรณีถ้าพูดรวมๆไปแล้วสิ่งที่สุดที่ผู้คนปรารถนานะก็คือความสุขนั่นแหละแต่ความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปสรับคนทั่วไปนะ้วก็เป็นความสุขทั้งโลก มีลามียศมีประสบสารเสริญได้รับคำสารเสริญแต่เมื่อได้ศึกษาธรรมะมากขึ้นมากขึ้นก็เพราะว่าอันนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่ดีสุดที่คนเราจะหวังได้มันมีสิ่งที่สูงกว่า น, นั้นแต่ไม่ว่าจะหวัง อะไรก็ตามที่ดีงามนะที่เป็นสิ่งประเสริฐนะก็ต้องไม่ลืมอีกด้านหนึ่งด้วยนะว่าต้องเตรียมพร้อมกับสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุดเลวร้ายที่สุดอย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยเนี่ยนะถ้าถ้ามาเข้าหาวัดเข้าห า, าศาสนาเพียงเพราะหวังจะได้ หายป่วยนะอันนั้นมันยังไม่พอและถ้าหวังแค่นั้นก็อาจจะเป็นอันตรายได้เช่นว่าคำว่าหายป่วยแล้วเกิดไม่ป่วยก็จะเกิดกายเป็นความผิดหวังนะอยากจะหายจากความยากจน อุตสาหไปบนบานศารการอุตสาห์ทำบุญหรือบางคนก็พยายามรักษาศีลด้วยก็มีนะเชื่อเพื่อว่าทําบุญรักษาศีงก็เพราะว่าอยากจะได้พบสิ่งที่ดีสุดได้พ้นจากความยากจนพ้นจากความเจ็บป่วยประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานแต่ว่า ถ้าเกิดไม่ได้อย่างที่หวังล่ะก็ จ, จะผิดหวังเกิดความทุกข์เสียใจความอาจจะเป็นความโกรธแค้นหรือถึงกับทันหลังให้กับาศาสนาเลยก็ได้แล้วก็มีหลายคนนะเป็นอย่างนั้นนะอย่างเคยมี เมื่อปีที่แล้วก็มีพวกกับหนังเรื่องหนึ่งชื่อครัวโตนลงทุนไปสามสิบสี่สิบล้านแล้วก็หนังต้องเรียกว่าล่มเหลวผู้ประาชาชนคือเจ้งใช้ไม่กี่ได้ไม่กี่วันก็กออกจากโลงเป็นหนี้เป็นสินหลายสิบล้าน ไม่ี่เดือนต่อมาแกก็ประกาศแล้เนี่ยแกเรื่องนักถือพุทธศาสนาแล้วพรานักถือพุทธศาสนาแล้วเนี่ยชื่อไม่ได้ดีขึ้นเล ย, เยก็มีแต่ความเดือดร้อนอุตสาห์ทำหนังเพื่อเชิดชูพุทธศาสนานะหัวโตแต่สิ่งที่ได้รับก็คือเป็นหนี้ล้วแถมเมียก็ทิ้งวันนี้นักถือพุทธศา นักถือศาสนานไม่ได้ให้อะไรเลยนะมีแต่ถูกคนทิ้งแล้วก็นี่สินพ้นตัวก็เลยประกาศไม่นักถือพุทธศาสนาตอนที่แกทำนะหนังเรื่องนี้ก็คงมีความหวัง น, นะมีความหวังว่าไม่ใช่แค่ว่าหนังจะสำเร็จหนังจะดังแต่ชีวิตแกจะรุ่งโรดด้วย อันนี้เรียกว่า hope for the best เหมือนกันนะแต่ว่าขาดไปอั น, นก็ prepare for the worst คือเตรียมพร้อมกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดพวกนั้คือไม่ประมาทอันเองความไม่ประมาทนี่ก็คือการเตือนให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดป่วยก็อยากหายหวังว่าจะหายก็ดีแล้วมีความหวัง แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าอาจจะไม่หายแล้วก็ลงท้ายก็ตายยากจนก็พยายามที่จะทำบุญรักษาศีลหรือทำความเพียรขยันขันแข็งเพื่อจะได้พุทธความยากจนพนจากนี้สินแต่ว่าเกิดปัญหาไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ก็ต้องเผื่อใจว่า อะไรแล้วก็ไม่แน่เตรียมพร้อมรับสิ่งที่เร็ว้ายที่สุดเนี่ยนะอันนี้ทางพุทธศาสนานี่ก็พูดไ้เยอะอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็เป็นเรื่องของสิ่งเร็ว้ายที่ สามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้แ ล, และจะต้องเกิดขึ้นกับเราด้วยความแก่ความป่วยความโศกความร่ำไรลาพานความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแย้นใจพบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพลาดจากสิ่งที่รักเรามีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือไม่ได้อย่างที่ปรารถนา นี่คือสิ่งที่เวลวร้ายนะที่เราต้องเจอแล้วยังซ้ำยังพูดย้ำซ้ำอีกนะในตอนท้ายว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอันนี้ก็เป็นการเตือนให้เราอตระหนักว่าชีวิตข้างหน้านี่มัน มันไม่ใช่ว่าจะราบดรื่องหอาจจะราบเรื่นก็นจริงแต่สุดท้ายนี่มันก็มีความยุ่งยากอุปสรรครออยู่ซึ่งเราเรียกว่าความทุกข์ไม่ว่าจะจะร่ำรวยไม่ว่าจะสำเร็จชีวิตรุ่งโลดยังไงนะสุดท้ายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มีความพัดพรากไม่พ้นอย่างที่เราสาธยายเมื่อวานเนี่ยเรามีความแก่เป็นธรรมดาจึงรความแก่เป็นไม่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจึงรความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นและสุดท้ายเราก็ต้องไม่สามารถะหลิ่หนีความตายได้ อันนี้คือสิ่งที่เวลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นนะกับเราทุกคนก็ต้องเตรียมตัวไว้นะนะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ให้ความหวังว่าชีวิตเราจะดุ่งโรดประสบความเจริญเมื่อทำความดีนะเมื่อมันทำบุญรักษาศีลแต่ว่าชีวเรามันก็มีสิ่งเหล่านี้ มันก็มีความทุกข์รออยู่แต่แม้กระนั้นเนี่ยนะมันก็มีความหวังอย่างหนึ่งนะที่ที่ทำให้เราเนี่ยไม่น่าจะกลัวในความทุกข์ที่พูดมาอย่างเช่น จริงอยู่นะถึงแม้ว่าเราต้องเจอความเจ็บความป่วยแต่พูดเจ้าก็บอกเราว่าป่วยกายนะแต่ไม่ป่วยใจก็ได้ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยอันนี้หวังได้หรือแม้จะยากจนแต่ว่าสามารถจะ รวยความสุขก็ได้แม่ทรัพย์ทั้งโลกจะมีน้อยนะแต่ว่าสามารถจะมั่งคั่งด้วยอริยทรัพย์ก็ได้จนเงินนะแต่ว่ารวยความสุขแลกะทังความแก่ความเจ็บความตายก็สามารถจะพ้นได้นะ พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยผู้ใดถือเราเป็นไกรนมิตผู้นั้นก็จะพ้นจากความโศกความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครอบแค้นใจผู้ใดมีความแก่เป็นธรรมดาก็พ้นจากความแก่ได้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็พ้นจากความเจ็บไข้ได้มีความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตายได้อนี้ก็เป็น สิ่งที่ดีสุดนะ The best ที่พระพุทธเจ้าหรือพนะระพุทธศาสนานีนะ้บอกว่าเราเนี่ยสามารถจะได้รับหรือเข้าถึงได้นะถ้าสำหรับนะผู้ที่มีปัญญาก็จะพบว่าอสิ่งที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ความร่ำรวยไม่ใช่ การหายเจ็บหายป่วยนะหรือว่าความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือว่าการมีสุขภาพดีแต่ว่ามันคือการพ้นทุกข์เชื่อวันมิผ่านนี่เรียเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่สุดนะที่ประเสริฐที่สุดนะไม่มีอะไรที่จะประเสริฐหรือดีที่ดีเท่ากับนี้อีกแล้ว บางทีฝรังก็คิดไปไม่ถึงนะว่ามันมีสิ่งที่ดีสุดนะที่เหนือกว่าลาบยศสุขสรรเสริญ น, นะคือนิพพานคือความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในวิสัยของเราทุกคนเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถจะหวังได้ มันไม่ใช่เป็นเรื่องของอภิ t มนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะที่จะเข้าถึงได้แต่ว่าเราทุกคนก็สามารถจะผ่านพบสิ่งนี้วิาตาว่าเนี่ยอริยโลกุตตรธรรมนะเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคน โลกุตรธรรมก็คือธรรมที่ทําให้อยู่เหนือโลกนะเหนือโลกธรรมพูดง่ายๆว่าโลกกับโลกธรรมนี่นก็เรื่องเดียวกันนะั้นนะโลกธรรมก็คือธรรมที่ขับเคลื่อนโลกนะหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของโลกก็คือ มีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศได้รับสารเสริอก็ประสบกับคำนินทาแล้วก็สุขและทุกข์โลกนะมนุษย์ก็โดยแล้วแต่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละหนีไม่พ้นจากนี้นะความเป็นไปของโลกความเป็นไปของผู้คนเศรษฐกิจนี่ก็บางช่วงก็ขาขึ้น หุ้นก็ขึ้นแต่ว่าไม่ช้าไม่นานก็เศรษฐกิจก็ขาลงหุ้นตก เ, นเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ถ้าผู้คนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็สุขหรือทุกข์ก็เพื่อเรื่องนี้ทั้งนั้นแหละสุขหรือทุกข์เพราะโลกธรรมแปดพอเศรษฐกิจดีนะรัฐบาล ปากการะกันราคาข้าวหรือว่าซื้อข้าวทุกเม็ดหนึ่งหมื่นสองพันบาทโอ้ยชวนาก็ได้เงินนะร่ำรวยนะก็ดีใจดีใจเสร็จแล้วก็ไม่ได้เผื่อใจว่ามันจะลงนะไม่รู้ไม่ตระหนักไม่ทอดทันว่ามีขึ้นก็มีลง ก็ใช้เงินนะออกรถนะใช้ใจ่ายไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ได้เก็บเอาไว้พอรัฐบาลไม่มีนโยบายขายข้าวราคาแบบนั้นก็เงินก็ฝืดทีด่เคยกู้เงินมาออกรถซื้อบ้านตอนนี้ก็กลายเป็นหนี้ไปแล้วไม่มีเงินจ่ายนี่ ร้านค้าที่เคยขายของเรียกว่าแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนโดยเพราะพวกก่อสร้างชาวนาก็มาซื้อจนดึกจนดื่นก็ไม่ได้เผื่อไว้เลยนะว่าเออมันจะใช้กินมันจะลงนะรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนนโยบายนะก็ไปกู้นี่มาเยอยะ สุดท้ายพอรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายอ่ะชาวนาไม่มาซื้อข้าวซื้อของของที่ตัวเองซื้อมาขายเอามาขายก็ขายไม่ออกนั่งตบยุงนี่สินก็เกิดขึ้นไม่มีเงินจน่ายนี่ก็กรุ่มใจเนี่ยโลกเป็นอย่างนี้นะเพราะว่า ไม่สามารถที่จะเพราะไม่ไม่รู้เท่าทันโลกธรรมแล้วก็ไม่สามารถจะ ย, ยกจิตให้มันอยู่เหนือโลกธรรมได้หมายความว่าขาขึ้นก็ไม่ยินดีถ้าไม่ยินดีขาขึ้นเวลามันลงก็ไม่เสียใจรู้ว่ามันขึ้นหรือลงก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลาขึ้นก็รู้ว่า สักวันหนึ่งก็ลงเผื่อใจไว้ไม่ประมาอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยนะสามารถจะฝึกใจได้นะโลกุตตรธรรมเนี่ยสามารถจะยกจิตให้อยู่เหนืออยู่เหนือโลกหรือว่าโลกก็ทำแปดได้ก็คือว่ามันจะขึ้นก็มายินดีมันจะลงก็มายินร้า ย, ยแม้มีสุข นะก็ไม่เพลินหลงไหลนะแม้ประสบลาบแม้ได้รับสักการะก็ไม่เพลิดเพลินเะพราะอะไรก็เพราะว่าเผื่อใจรับสิ่งที่เวลวร้ายก็คือรู้ว่าสักวันหนึ่งเมื่อก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปนะที่เคยหนุ่มเคยสาวก็จะแก่ที่เคยมีสุขภาพดีก็จะเก็บป่วย ที่เคยรุ่งโรดก็อาจจะร่วงรยหรือรุ่งรื่งนะอันนี้คือคือความไม่ประมาทนะเราหวังได้นะเราหวังและเราเชื่อว่าสิ่งที่ดีสุดนะสามารถจะเกิดขึ้นกับเราได้โดยเฉพาะการพ้นทุกข์นะ จากขณะเดีวยกวกันเรก็เผื่อใจไปด้วยว่ามันอาจจะต้องเจอความทุกข์ดาาหน้าเข้ามาอันนี้เมื่อเราไม่ว่าเราจะหวังว่าจะได้พบสิ่งที่ดีสุดหรือว่าจะเผื่อใจเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายสุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่นิกเอาเฉยเฉยหรือว่า แค่เตือนใจตัวเองอยู่ใช้อยู่ตลอดเวลาว่าเออมันไม่เที่ยงนะสักวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะการเตือนใจอย่างที่เราสวดเมื่อวานเนี่ยอภินันทประจวิกเนี่ยมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดายะต้องพลาดไปจากของเล่าของชอบใจเท่านั้นสวดทุกวันเนี่ย ห ร, รืพิจารณาเจริญร้อนนะัสตตทุกวันว่าทั้งเราทั้งหลายมีความตายเป็นธรรมดาความตายเป็นชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอันนี้เราต้องนร ะ, ะลึกอยู่เสมอแต่ว่าเท่านั้นไม่พอนะมันต้องมีการฝึกมากกว่านั้นด้วยนเพราะการระลึกอย่างนั้นนี่มันยังเป็น มันจะเป็นแค่การคิดนึกเอาเราต้องฝึกใจให้เห็นเห็นความจริงและฝึกใจให้เข้าใจนะในเรื่องความจริงของชีวิตนะซึ่งก็หนีไม่พ้เรื่องความจริงของกายและใจแล้วก็รวมทั้งโลกธรรมด้วย การฝึกที่ว่านี่แหละหมายถึงการภาวนาหมายถึงการลงมือทำหมายถึงการหมั่นพิจารณากายและใจรวมทั้งโลกที่อยู่รอบตัวเรา แม้แต่เวลาบอกว่าเนี่ยเราหวังว่าจะได้พบสิ่งที่ดีสุดเนี่ยมันก็แค่มันจะแค่หวังเพียงเดียวไม่ได้ต้องลงมือทาด้วย mm hmm. ก็หมายคามว่าคนที่หวังร่ำรวยหวังจะพ้นจากความยากจนแล้วก็ไม่ทำอะไรแค่หวังหรือว่าแค่ให้ฐานรักษาสีนั้นแล้วก็จะดีขึ้นได้ มันก็ยังไม่พอนะต้องลงมือทำในความหมายที่ว่าทำกิจการงานก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียร น, นะรู้จักใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์รู้จักหาลู้ทางนะในการเพิ่มรายได้มีวิธีการใหม่ๆในการอดออมลดรายจ่ายนีเป็นต้นนะ น, นี่เป็นเรื่องทางโลกนะในทางธรรมก็เหมือนกันนะมันก็ต้องต้องลงมือทำนะเปิดใจของเราฝึกใจของเราเนี่ยเพื่อจะได้เห็นความจริงนะอันนี้พระเจ้าก็ได้ชี้ทางเอาไว้แล้วนะในเรื่องการฝึกใจว่าเราจะฝึกเรื่องอะไรบ้าง การที่คนเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายหรือว่าไม่ต้องเกิดอีกเนี่ยนั่นก็จากการที่เราได้เห็นความจริงเห็นความจริงอะไรเห็นความจริงในเรื่องของทุกข์ริษัชช์ข้อแรกเนี่ยก็คือทุกข์ การที่รู้ว่าทุกอริสต์สี่มีอะไรบ้างเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมางเนี่ยอันนี้เป็นแค่ขั้นแรกนะความรู้ในเรื่องนี้ว่าทุกสมุทัยนิโรธคืออะไรเนี่ยเราเรียกว่าสัจจญาณซึ่งเป็นหนึ่งในสามของญาณหรือความรู้ที่เราควรจะที่เราจาต้องมีนะเพื่อการพ้นทุกนะ ยานชุดที่สองคือกิจยานกิจยานคือว่าความรู้ว่าจะต้องทํากิจอะไรบ้างสําหรับอริยสัจแต่ละข้อเช่นทุกเนี่ยนะสิ่งที่ควรทําก็คือรู้นะรู้ทุกรู้ให้ทั่วถึงนั่นใช้ก็ปริญญาบางทีก็แปลว่ากำหนดรู้ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ให้ทั่วถึง ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะสิ่งที่ต้องละเนี่ยคือสมุ ท, ทยัยทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะสิ่งที่ต้องละคือสมุ ท, ทยัยอันนี้ก็เป็นกิจนะต่อเรียสัต์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองกิจต่อเรียสัตข้อที่สามนี่เราคือทําให้แจ้งทําให้เกิดขึ้นทําให้ปรากฏเป็นจริง ส่วนข้อที่สี่เนี่ยมักมีงแฝงคือทำให้มากภาวนา เ, นเพราะภาวนาเนี่ยคือทำให้มากหรือลงมือทำไอ้ทุกข์เป็นสิ่ต้องรู้เนี่ยไม่ได้รู้ได้คิดเอาการคิดเอาไม่ได้รู้ได้การฟังการอ่านเท่านั้ น, นแต่ต้องรู้ต้องรู้ได้จากการที่เราได้ได้มองได้ดูได้พิจารณา ตงทั้งเห็นจริงๆมันไม่เป็นมันไม่ใช่ต้องมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องอาศัยความคิดนะแต่ต้องอาศัยใจในการในการอย่างรู้เริ่มด้วยการรู้ทันเวลาเจอทุกก็รู้ทันเวลาทุกเกิดขึ้นที่ใจก็รู้ทันนะรู้ที่ว่านี่คือ คือรู้โดยที่ไม่เอาไม่ปล่อยใจให้เขาไปจมอยู่ในความทุกข์รู้อย่างนี้เกิดขึ้นได้คือการเห็นเห็นเห็นทุกข์เห็นอารมณ์ที่ทำให้ทุกข์ความโศกความเศร้าความเสียใจ ต้อง เ, เห็นความคิดที่มันทำให้ทุกข์เพราะคนเรานี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันทุกข์เพราะความคิดถ้าไม่คิดในเรื่องที่ผ่านไปแล้วหรือเรื่องที่มาไม่ถึงมันก็ไม่ทุกข์นะแต่พอไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวด ก็เศร้าก็เสียใจหรือโกรธแค้นไปนึกถึงสิ่งที่เอามาไม่ถึงงานที่คาอยู่ปัญหาที่รออยู่ข้างหน้าก็เกิดกังวลขึ้นมาเลยถ้าไม่นึกไม่คิดถึงมันก็ไม่กังวลนะ หรือไม่เศร้าไม่โศกไม่โกรธแค้นเ น, นี่ยทุกว่าความคิดก็ต้องรู้ทันด้วยนะเราต้องเห็นนะเราจะรู้ทันได้ก็เพราะเราเห็นมันไม่ว่าจะเป็นความพิเรออารมณ์ความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่เห็นมันก็เข้าไปเป็นนี่ยเข้าไปเป็นเลยนะ ถ้าไม่รู้ทันนะมันก็ไปแบกทุกข์เอาไว้ก็เป็นผู้ทุกข์นะันัการการการรู้ทุกข์รู้เท่าทันทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเอ า, าจะคิดเองไม่ได้หรืออยากให้อยาให้เกิดขึ้นแต่ถ้าไม่ไม่ฝึกมันก็ไม่เกิด เป็นเรื่องการที่ใช้ใจนะเป็นการทำความเพียรทางจิตภาวนาเนี่ยนะคือการบำเพ็ญทางจิตก็คือการฝึกใจให้ให้รู้เท่าทันทุกแล้วก็ให้รู้จักเห็นทุกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ทุกได้แจนแจ้ง เพราะการที่จะรู้รู้ทุกเนี่ยหรือการที่จะรู้ความจริงที่ชื่อว่าทุกเนีย่ยมันคิดเองไม่ได้มันไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยการคิดแต่ต้องรู้ด้ยจากการที่เห็นเห็นเห็นเห็นเห็นเห็นของจริงความทุกขเนีย่ยที่เกิดขึ้นกับการและใจเนีย่ยมันคือของจริงเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ ดูมันเห็นมันเห็นมันการเห็นก็ทำให้เกิดความรู้ขึ้นจากการเห็นของจริงก็กลายเป็นเห็นความจริงไหมเห็นเมื่อเราหมั่นเฝ้าดูกายและใจไม่ว่าในยามสุขหรือยามทุกข์ถ้าเราเฝ้าแต่ดูไม่เอาแต่เพลิดเพลินยินดีเมื่อมันสุขหรือไม่เอาแต่คร่าครวนเสียใจเมื่อมันทุกข์เนี่ย เราจะเห็นความจริงของกายและใจที่แสดงออกมามันแสดงออกมาให้เราเห็นตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่าอยู่ที่ว่าเราจะดูหรือเปล่าถ้าเราโมแต่เพื่อพลยินดีก็ไม่เห็นถ้าเราเอาอแต่ยินร้ายตี อ, อกชอกหัวเราก็ไม่เห็นเหมือนกันหรือถ้าใจเราลอยนะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็ไม่เห็นความจริง ที่กายและใจแสดงออกมาแล้วก็ตามวิจัยเรานะ <c oughs> เห็นมันนะเราก็จอยค่อยรับรู้ความจริงของการละใจแล้วก็รับรู้ความจริงของสิ่งที่เราทุกข์เนี่ย ได้ชัดเจนขึ้นจะเห็นได้น้องสายสตินะมันไม่ใช่เห็นด้วยตามันต้องเห็นด้วยสติซึ่งเป็นตาไหนแต่ถ้าแต่สติจนะเป็นเครื่องมือให้เราเห็นได้เห็นความจริงของการละใจได้ตนเข้าใจเรื่องทุกข์เนี่ยมันก็ต้อง มันก็ต้องฝึกนะต้องอาศัยต้องสร้างสติขึ้นมาให้มีกําลังเพราะถ้าสติไม่มีกําลังมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตเรานิ่งพอที่จะเห็นอะไรได้นี่เขาก็เปลี่ยนเหมือนกับว่าผูกกลัวไว้กับเสาอะนะ ววเนี่ยคือจิตววมันจะอยู่กับเสามันก็ต้องอาศัยเชื่อเชื่อมีคือสติส่วนเสาเนี่ยก็หมายถึงกายก็ได้ใจก็ได้ลมหายใจก็ได้เรียกรวมๆว่ากายกับใจแล้วกั น, นหมายถึงอารมณ์ที่จะเฝ้าสิ่งที่เราจะเฝ้าดูมัน เราจะให้จิตมาดูการและใจเนี่ยมันต้องมีตัวที่จะคอยกํากับจิตให้อยู่นิ่งๆเพื่อที่จะได้ดูการและใจได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเชือกที่คอยยึดวัวเอาไว้ให้อยู่กับเสาเชือกนั้นเนี่ยถ้าวัวเนี่ยเปลี่ยนมันจิตนะเชือกก็คือสติ แต่สติของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นมันไม่ใช่มันมันเป็นเชือบบางๆเชือกเล็กๆที่ไม่สามารถจะตรึงยึดวัวได้วัวมันวัวมั น, มนดึงเชือบปุ๊บเดี๋ยวดีก็ขาดแล้วมันเตะเชือกเชือบก็ขาดแล้วอันจริงคนเราเป็นงั้นแหละก็คือว่ามันไม่นิ่งมันไม่สามารถจะเห็นกายและใจต่าง ก, กันเป็นจริงได้ มันเลยโดดเข้าไปเป็นไงโดดเข้าไปเป็นแทนที่เห็นความกลัวก็เป็นผู้กลัวแทนที่เห็นความเศร้าก็เป็นผู้เศร้าแทนที่จะเห็นความคิดก็เป็นผู้คิดแล้วก็ไปยึดติดถือมาความคิดนั้นว่าเป็นกูของกูก็เลยไม่เห็นความจริงก็เลยไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ทั่วถึงในทุกข์ไม่เห็นความจริงที่กายและายแสดงออกมา งั้นถ้าเรา อ, อยากจะเห็นความจริงของกายและใจเข้าใจทุกอย่า ง, จงแจ่มแจ้งจนกระทั่งเป็นบันไดไปสู่ความร้อนธงดาก็ต้องฝึกสติให้ให้เข้มแข็งให้ไหวเหมือนกับเชือกที่หนาเป็นเชือกเส้นใหญ่ที่จะคอยยึดวัวไว้วัวมันมีพละกกำลังแค่ไหน นะมันก็ถ้าเจอเชือกเส้นใหญ่มันก็มันก็ยอมแพ้แนละมันก็หยุดอยู่กับที่แล้วมันก็ยังมากก็เดินรอบๆอบเสารอบๆบหลักมันไม่ไปไหนแล้วนั่นะนี่แหละคืองานที่เราต้องทำนะในช่วงสีห้าวันเนี่ยนะคือเราจะมาฝึกสตนะิเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการใช้งานนะเพื่อให้จิตเนี่ยเป็นเครื่องมือของจิตในการที่จาดูนะ เห็นความจริงของการละใจอย่างต่อเนื่องจงกนกระทั่ง <c oughs> เข้าใจรู้รอดในเรื่องทุกข์แลวเมื่อเห็นทุกข์แล้วมันก็จะรู้เลยนะว่าอะไรคือที่มาของทุกข์อะไรคือเส้นทุกข์ <c oughs> รู้เลยว่าเนี่ยอะไรคือสมุทย <c oughs> ัยและการที่รู้ว่าสมุทัยคืออะไรเนี่ย มันก็เป็นคําตอบในตัวว่าแลจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเมื่อรู้ว่าความยึดติดถือมั่นคือเหตุแห่งทุกข์คำตอบมันก็เฉลยในตัวแล้วว่าก็คือละความยึดมั่นก็คือปล่อยวางมันก็หมดทุกข์ทั้งเพียงแค่เห็นทุกข์เนี่ยมันก็นําไปสู่ การเห็นในสมุดไทยได้แล้วเมื่อสมุดไทยเนี่ยมันก็รู้เลยว่านิโรธเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งก็ทำให้เห็นความสำคัญของการทำความเพียรเพื่อทำให้องค์มรเกิดขึ้นจงกระทั่งสามารถจะจนทั่งจิตเนี่ยสามารถที่จะปล่อยสามารถที่จะวางได้ ทั้งหมดนี้เริ่มต้เนเลยจากการที่เไปเห็นนะเห็นนะเห็นกายและใจนะรู้ทันกายและใจอย่างที่มันเป็นนะเราจะมาฝึกกันในช่วงสื้หาวันเนี่ยคือเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญอาชาเดี่ยพูดกัเท่า น, นี้นะคาารับ